ธมามีเพื่อนคนหนึ่งอายุห้าสิบต้นต้นเธอเป็นนักข่าวแล้วก็นักหนังสือพิมพ์ที่มีประสบการณ์โชกโชนความสามารถก็เยอะนะทั้งในด้านการทำข่าวแล้วก็ด้านภาษาเพราะว่าทำงานให้กับหนังสือพิมพ์บางก อ, อกโพสนะ์ทำมา20ปีเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ 600-700 ชิ้นแล้ว ไม่นับข่าวซึ่งเขียนนับไม่ท่วนได้รางวัลทั้งจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็หลายรางวัลได้มากที่สุดในบรรดา น, นักข่าวที่ทำงานให้กับบ a งกอกโพสต์เอาความสมเรเธอนี่โดยพยานภาษาคนที่เรียนจบจากเมืองนอกนะปริญญาเอกก็คงจะสู้ไม่ได้แต่เธอเรียนจบแค่ปริญญาตรีนะแล้วก็เรียนจบเฉพาะในประเทศ ที่จริงถ้ามีเงินนะก็คงจะเรียนได้สูงแต่ว่าครอบครัวเธอยากจนมากพ่อแม่ก็เป็นชาวสวนดูแถวสมุทรสาครเรียกว่าหาช้ากินค่ําอาจจะยิ่งกว่าชาวบ้านแถวนี้ซะอีกนะเธอเล่าว่าตอนแม่คลอดตอนแม่ท้องใกล้คลอดเธอเนี่ยก็ยังหยุดทำงานไม่ได้นะต้องทำงานแล้วก็ต้องไปหาผักบุ้งมา มาเลี้ยงครอบครัวตอนที่เธอยังเล็กนี่แม่นี่ไม่มีเงินมากเท่าไหร่มีกล้วยอยู่ใบหนึ่งนะก็เนื้อกล้วยก็ให้ลูกสาวคนเล็กส่วนพี่ชายก็กินเปลือกกล้วยไปตอนนี้เรื่องจริงนะกินเปลือกกล้วยเพาะไม่มีอาหารจะประทัง อันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือปู่ย่าตายายอ ย, าอย่างที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ถึง50ปีมาแล้เองมั้งเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้จากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายว่าเนี่ยอยู่กับลำบากก่อ น, นึงไม่ถึงว่าคนรุ่นเราหรือคนรุ่นหลังเราก็ยังปากกัดตีนถีบขนาดนั้นตัวเธอเองนี่ก็ เรียนชั้นปฐมนี่ก็ไม่เคยได้เที่ยวนะทำงานทำงานเสารอาทิตย์แค่นั้นไม่พอวันธรรมดาก็ต้องตื่นมาตีหนึ่งมาเก็บดอกมะลิลิตรละเจสิาตังค์นะสาสลึงลิตรหนึ่งไม่ให้ลิตธรรมดานะลิตรมันขีมันใหญ่ว่ามาตัฐานด้วยซ้ำเด็กประฐมนะประมาณ9ขวบ10บขวบตื่นมาตีหนึ่งเก็บมะลิตอนเช้าก็ไปเรียนหนังสือไม่มีไม่มีเงิน คนะ่าขนมนะไม่มีพ่ อ, พ, อพ่อแม่ไม่มีปัญญาจะาให้เงินค่าขนมมีแต่ข้าไปกินที่โรงเรียนกลับมาก็มาทํางานทําสวนให้พ่อแม่หรือไม่ก็ไปรับจ้างกว่าจะเสร็จก็ดึกดื่นพออยู่มัธยมก็อยอย่ังช่วหน่อยนะไม่ต้องตื่นตีหนึ่งนะตื่นตีสองเก็บกล้วยไม้ที่ทางบ้านนี่ปลูกเอาไปขายที่ปากคลองตลาด เขาเรียกว่าลำบากมากเัวบอกว่าเนี่ยเงินที่หามาได้นี่ไม่เคยซื้อขนมกินเลยต้องไปซื้อเป็นค่าสมุดปากกาดินสอแต่ว่าเธอเป็นคนที่รักการเรียนมากนะขยันเรียนมากขนาดที่เรกว่าไม่ค่อยมีเวลาเรียนหนังสือนะไม่ค่อยมีเวลาเตรียมสอบก็ยังหาโอกาสเวลาไปเวลาพ่อแม่ให้ไปไปทาสวนนะก็ หยิบหนังสือติดมือไปด้วยโดยพอเวลาใกล้สอบเนี่ยเอาหนังสือติดมือไปแล้วก็ทำงานไปด้วยอ่านหนังสือเตรียมสอบไปด้วยตอนจะเตรียมสอบเข้าเตรียมอุ ด, ดมนะก็ไม่มีเวลาเรียนหนังสือไ ม, ม่เวลาอ่านหนังสือนะเพราะว่าต้องทำงานที่บ้านนี่ช่วงตุดจีนนี่มีไหว้เจ้าเธอกับพี่น้องพ่อแม่ก็ต้อง โม่แป้งเพื่ อ, อไว้เจ้านะไม่มีปัญญาซื้อเข้ามาต้องทำเองต้องโม่แป้งเวลาโม่แป้งเนี่ยมือข้างหนึ่งก็โม่แป้งมือข้างหนึ่งก็อ่านหนังสือเรียกว่าช่วยโอกาสนะที่มีเนี่ยนะเพื่อการศึกษาหาความรู้มือข้างหนึ่งก็โม่แป้งอีกข้างหนึ่งก็อ่านหนังสือไปนะ ไม่รู้ว่ามีสมาธิได้ยังไงนะอาตมานี่ตอนตอนเป็นนักเรียนนี่ไม่เคยมีไม่เคยมีความจำเป็นต้องไปทำงานทางบ้านเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวนะแล้วก็ได้อ่านหนังสือในที่ที่สบายไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำงานบ้านทำได้น้อยมากแต่เพื่อนคนนี้นี่เป็นผู้หญิงแต่ว่าต้องทำงานหนักที่บ้านก็ไม่สับสนการเรียนนะเพราะว่าเป็นผู้หญิง ต้องไปแอบไปไปสอบเตรียมอุดมไปสมัครสอบเตรียมอุดมนะขนาดสอบเข้าได้แล้วนี่ก็ยังต้องตื่นมานะตีสองนะเก็บดอกไม้ไปขายปักของตลาดอยู่บนรถเมย์ก็ไม่ได้นั่งอ่ะยืนตลอดสับประงกไปพอไปถึงปักของตลาดเสร็จก็ขายของเสร็จก็ต้องนั่งรถต่อไปเตรียมอุดมนะก็ยืนอีกนะสับประงกไป เธอว่านี้ที่จริงไม่ได้เวลาขึ้นรถไปเตรียมบุ ด, ดมนี่ต้องโหนนะถ้าต้องโหนโหนแถวบันไดอ่ะสมัยก่อนนี่รถเมยนี่มันโหนได้จนถึงบันไดเลยนะสมัยนี้ไม่มีภาพนี้แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยบันไดรถตรงประตูเนี่ยคนก็ออกกันแน่นอาตมาก็เคยโหนอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะเพราะว่ารถมันแน่นนะัเธอก็โหนเหมือนกันนะไปถึงโรงเรียนก็ สายเป็นประจำแต่ก็ดิ้นรนนะเรียนต่อถึงจุลานะสอบเข้าจุลาได้ไม่มึไม่มีเงินกินอาหารกลางวันนะเพื่อนชวนไปกินอาหารกลางวันไม่ไปบอกจะไปอ่านหนังสือเหตุผลคือไม่มีเงินนะต้องกินน้ำกรอกกรอกกรอกท้องโอ้แต่ว่าสามารถที่จะเรียนจบได้ก็ได้คะแนนดีด้วยไอ้ที่ทึ่งก็คือว่านอกจากปากกัดตีนถีบแล้ว เธอก็พยายามโชวโอกาสจากการทํางานไม่ว่าจะไปเลี้ยงหลานหรือลูกของพ่อแม่ลูกลูกของพี่สาวพี่ชายเลี้ยงหลานไปก็อ่านหนังสือไปไดย้ยาไปก็อ่านหนังสือไปโมแปลงก็อ่านหนังสือไปด้วยนะก็เลยว่าทั้งนั่งที่ชีวิตนี้ลําบากนะพี่สาวคนอื่นๆ น, นี่ไม่สามารถจะเรียนสูงได้บางคนนี่เขียนได้แต่ เขยได้แต่ชื่อนะคือเซ็นชื่อได้ที่เหลืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะแต่ว่าเธอนี่เรอกปากกรตินถีบมากนะเรียนจนกระทั่งนะจบมหาวิทยาลัยแล้วก็จนกระทั่งมีความรู้ความสา ม, มารถนะไม่เคยเรียนต่อเมืองนอกนะแต่ว่าความรู้ทางภาษาก็ดีมากแล้วนะ ก, ก็ประทับใจนะเรื่องของความรู้จกักเฉลยโอกาสเนฉะวยโอกาสทุกอย่างนะเท่าที่มี นะไม่ใช่มีเวลาว่างไม่เคยมีเวลาว่างแต่ว่านะอะไรทำงานไหนที่มันพอจะอ่านหนังสือได้ก็ใช้เวลานั่นะชวยโอกาสนั่นแหละนะอ่านหนังสือก็ทำให้นึกถึงที่หลวงพ่อคำเขียนนะพูดว่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนักภาวนาเนี่ยต้องเป็นนักชวยโอกาสนะต้องชวยโอกาสทุกอย่างนะทุกเวลาเพื่อการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคำเขียนเคยเคยเปรียบเทียบนะ พ่อค้าแม่ค้าแถวสถานีรถไฟนะสมัยก่อนรถไฟชั้นสมเนี่ยพอจอดสถานีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะรีบขึ้นมามาขายของอันนี้ก็เหมือนกับรถบขสสมัยก่อนนะรถบขสสีส้มเนี่ยพอจอดตรงไหนเนี่ยก็จะมีคนนี่กลูกขึ้นมาขายของเนี่ยยาดมยาดมยาหมองนะห้านาทีก็ยังดีนะขอให้ได้ มีเวลาขึ้นกันแล้วกันนะเขาโชวยโอกาสทุกนาทีนะที่รถจอดหรือว่าที่รถไฟเนี่ยแวะสถานี5นาทีก็สามารถจะขายของได้5บาท10บาทนะก็เอาแล้วก็ไม่เคยพลาดโอกาสหลวพ่อท่านกระบอกเนี่ยให้นักปฏิบัติทำเนี่ยนะรู้จกักโชวยโอกาสแบบนั้นแหละนะอันนี้เรานะ ซึ่งเรียกตัวเป็นนักภาวนาหรือว่าอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือถึงไม่เรียกแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ให้รู้จักโชว์โอกาสไม่ว่าทำอะไรเจออะไรอยู่ที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะก็เอามาใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมเช่นทำอะไรนะไม่ว่าเล็กหรือน้อยไม่ว่าเช้ากลางวันเย็นนะก็ เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยนะเช่นเจริญสตินะมีความรู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำจะกวาดบ้านล้างจานหรือแม้แต่เข้าห้องน้นะําก็ทำความรู้สึกตัวไปด้วยเวลาเจออะไรก็ตามนะยุงกัดอนะ่ก็เป็นโอกาสนะปฏิบัติธรรมเจริญสตินะเออมาดูใจเนเวลายุงมันกวนเนี่ย ใจเราเป็นยังไงนะร่างกายเราเป็นยังไงนะมันมีาการเกร็งไหมโดยเพราะเวลายุงนี่มันเกาะมือเกาะแขนเห็นใจไหมใจมันรู้สึกยังไงมันมีความรู้สึกกระเพิ่มไม่พอใจหรือว่าเห็นความรู้สึกที่มันอยากจะปัดยุงอยากจะตบยุงไหมอ่าแค่เห็นเท่านั้นแหละนะแม้จะเป็นความอยากจะปัดยุงไปหรืออยากจะตบยุงเนี่ยอันนี้มันก็ ถือว่าได้เจริญสติแล้วเรียกว่าเรียกให้กกอเป็นจิตตามนุปัสสนานะอยากตบนะแต่ไม่ตบนะ อ, อดกลั้นไว้ได้นี่ก็ฝึกขันติธรรมนะเวลายุงมันกัดนะกายเป็นยังไงนะมันเกรง็งหรือว่ามือมันอยากจะขยื่นขยับลิงฟีปากเ ม, มนะ่ก็ดูไปซะรู้ทัน มันปวดใจเป็นยังไงมีสติเห็นความปวดไหมแค่ใ น, นเรื่องแค่ยุงกัดเนี่ยนะหรือมดกัดเนี่ยเราต้องใช้โอกาสนะมาใช้เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมเจริญสติหรือว่าฝึกคันติธรรมเวลามีคนพูดจาไม่ถูกหูตำหนิติเตียนต่อว่าด่าทออก็ใช้โอกาสนั่นแหละนะ มาฝึกใจของเราฝึกความอดทนฝึกรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ถือสาเปลี่ยนความไม่พอใจให้เป็นความปกตินะหรือว่าอาจะฝึกแผ่เมตตาให้เข้าไปเวลาของหายเออก็ลองดูสิว่าเราได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อย่างไรโชวโอกาสซะเช่นเออมันสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่อยู่กับเราอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมาแล้วกว็ไปหรือจะเตือนใจให้เรารู้จักระมัดระวังไม่ประมาทก็ได้เจ็บป่วยอ่ะก็อย่าแต่โวยวายตีโพยตีพายนะก็ดูช่โอกาสใช้ความเจ็บป่วยนี่แหละนะช่โอกาสตอนที่เจ็บป่วยนี่แหละให้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเพื่อนเนี่ยคนที่พูดถึงเนี่ยนะสอปีหลังก็พวกเขาเป็นมะเร็งนะ เขาก็ทำใจได้จากเดิมที่เคยวิ่งตลอตลอทั่วประเทศทำข่าวอตอนนี้ก็มาดูใจของตัวถือโอกาสช่วงนี้มาศึกษาธรรมอาร่านหนังสือธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวเรียกว่าไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่มัวแต่เสียอกเสียใจว่าชีวิตเราทำไมมันลำเค็นขนาดนี้นะตอนเด็กก็ไม่ ก็ไม่รเคยได้กินอิ่มนอนอุ่นพอโตขึ้นแทนที่จะสบายก็ต้องมาเจ็บป่วยไม่มีการบ่นอย่างนั้นนะป่วยกายแล้วจะปล่อยใจให้ทุกข์ไปทําไมนะก็เอามาศึกษาธรรมใช้โอกาสที่ป่วยเนี่ยนะศึกษาธรรมได้ไม่ได้ไม่ต้องมาอ่านหนังสือก็ได้นะหลวงพ่ อ, เ, อเขียนตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยนะก็ป่วยหนักนะแต่ท่านก็บอกว่า สนุกป่วยนะตอนที่ป่วยนี่มันสบายเหลือเกินมีคนทําให้หมดเลยไม่ต้องทําอะไรนะแค่เห็นไตรักอย่างเดียก็พอแล้วนะท่านเคยบอกว่าตอนป่วยเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรหรอกนะมันมีคนทําให้แล้วแค่เห็นไตรักอย่างเดียก็พอแล้วมันโชว์ให้เราดูนะเราเคยคิดจะโชวโอกาสั้มดูไตรักนะที่สังขารมาแสดงให้เราเห็นนะ แ, แค่โชวโอกาสนะศึกษาธรรมะนะจากร่างกายสังขารของเรานะีมันเป็นโอกาสดีที่กําลังแสดงไตรักษให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, านี้ก็เรียกว่าคุมล้วนะป่วยกายนะแต่ว่าได้ปัญญาถึงแม้จะทํางานทําการไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์โชวโอกา ส, กาสจากเหตุการณ์ทําให้เกิดธรรมะเกิดความเข้าใจในธรรม ไม่ว่าเจออะไรนะเราสามารถจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมได้นะช่างไฟคนหนึ่งเนะ่เกิดอุบัติเหตุไฟชอ็อตไฟแรงสูงนะช็อตขาสองข้างต้องตัดขาทิ้งกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตพิการได้ไม่เท่าไหร่นะเมียก็ทิ้งแทนที่จะตีอกชกหัวนะก็กลับเฉย มีคนถามว่ารู้สึกยังไงนะที่เมียทิ้งไปแกก็ตอบว่าผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยลจะให้เขาอยู่กับผมได้ยังไงนะเาเรียกว่าเรียนธรรมะนะจากการที่เสียขานะบางคนเนี่ยนะเสียขาแล้วไม่พอนะความสุขก็หมดไปด้วยนะเสียใจเสียจริต กลุ่มห อ, อกกลุ่มใจแต่คนที่เป็นนักภาวนาเนี่ยจริงชายคนนี้ก็ไม่ได้เป็นนักภาวนานะแต่ว่าแกก็ได้ธรรมะนะจากเหตุการณ์นี้ขาขาดเนี่ยตัดขาเนี่ยมันก็ชี้เห็นเลยนะว่าขาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราวันดีคืนดีมันก็ต้องจากเราไปถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้ประโยชน์แล้วนะทำให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย ก็ขนาดขามันยังมาอยู่กับเราเลยนะและสิ่งที่เราเรียกว่าเมียของเราเมียของเราเนี่ยมันจะเป็นของเราอยู่กับเราได้ยังไงแต่บางคนไม่ฉลาดนะแค่เงินหายโทรศัพท์หายก็กุ้มอกกุ้มใจเป็นวักเป็นเวรหัวเสียนะกระฟัดกระเฟียดนะอันนี้เรียกว่าพลาดโอกาสนะในการที่จะเก็บเกี่ยวธรรมะนะจากสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างที่บอกนะไม่ว่าทําอะไรเจออะไรเนี่ยนะเราต้องรู้จักโชวยโอกาสนะเอามาเป็นประโยชน์ในทางธรรมะให้ได้ส่วนใหญ่นึกถึงแ ก, การช่วยประยัช่วยโอกาสหรือช่วยประโยชน์ทางโลกนะคนที่ช่วยโอกาสหรือหาประโยชน์ทั้งโลกมันมีเยอะแล้วนะไม่ต้องไปทําแข่งกับเขาแต่ที่มันมีน้อยคือคนที่รู้จักโชวยโอกาสหรือหาประโยชน์ทางธรรมนะจากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา เหตุการณ์ที่เราเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเนี่ยนะถ้าเราหาประโยชน์จากมันได้ในทางธรรมมันก็กลายเป็นของดีนะเจ็บป่วยก็กลายเป็นของดีเงินหายของหายก็กลายเป็นของดีหรือแม้แต่พิกการก็เป็นของดีอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไอ้ความพิกการนี่มันสามารถกลายเป็นดีได้นะอาจารย์กำพลเคยบอกว่าเนี่ยขอบคุณความพิกการเพราะความพิการทําให้เห็นทุก ทำให้รู้จักทุกแล้วก็ทำให้รู้ทางออกจากทุกได้คือคนเราเจออุทุกข์ได้เนี่ยมันต้องรู้จักทุกนะแล้วจะรู้จักทุกได้มันก็ต้องเจอทุกก่อนนะถ้าไม่เจอทุกเนี่ยนะจะรู้จักทุกอย่างแท้จริงก็ยากนะอย่างนางกีสาก็จะมีนางประจันจาเนี่ยถ้าไม่เจอทุกคือเสียลูกนะเสียคนในครอบครัวคนรัก นะนางกิสา์ก็จะมีเสียแค่คนเดียวนะลูกเล็กแต่นางปตจรานี่เสียลูกสองคนเสียผัวเสียพ่อแม่ในเวลาไล่กันแต่ว่าในที่สุดก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมะเห็นว่าเห็นโทษภัยในวัตาสงสารนะแล้วก็เห็นความจริงว่ามันไม่ว่ามีอะไรนะ สั ก, กวันหนึ่งก็ต้องหมดนะพบกับพรากเนี่ยมันมาด้วยกันเช่นเดียวกับเจอและจากนะไม่ว่าจะมีใครนะเป็นคนรักนะในสุดก็ต้องสูญเสียไปไอคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ในคนเหล่านั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นทุกข์้าพยายามนะพยายามเตือนใจเราให้โชโกาสอยู่เสมอแม้เวลาแม้เวลาทำมาหากินทำอาชีพการงานซึ่งเป็นเรื่องทางโลกมัน ก็สามารถจะเป็นประสบการณ์ทางธรรมได้นะอาจารย์พื่อท่านท่านก็พูดอยู่เสมอว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมงานทางโลกกับงานทางธรรมไม่ได้แยกจากกันล้างจานปลูกต้นไม้ทําครัวอันนี้เป็นงานทางโลกนะแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นงานทางธรรมได้ถ้าเกิดว่าเราทําอย่างมีสตินี่ขนาดงานทางโลกนี่ก็ยังเป็นประโยชน์ในทางธรรมได้นักปราชญ์เลยกับ งานทางธรรมเช่นการทำวัสดมนนะการเจริญสติเนี่ยมาทำวัสดมนมาฟังธรรมแล้วนี่แต่ปล่อยใจให้หลงลอยไปจมอยู่ความหลงอันนั้นมันยิ่งไม่เข้าท่าก็าไปใหญ่นะยิ่งเป็นงานทางธรรมเนี่ยยิ่งต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าในทางธรรมแกจิตใจของเราให้มากขึ้นเช่นขณะที่เราสวดมนฟังธรรมก็ทาความรู้สึกตัว นะสร้างความสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นอย่าเปิดโอกาสให้ตัวหลงนี่มันเข้ามาครอบงําใจไม่ใช่สวดมนต์ก็ปล่อยใจลอยฟังธรรมก็เอาแต่นั่งหลับสั ป, ปกอบเนี่ยอันนั้นมันไม่เข้าท่านะเพราะว่าขนาดทางโลกงานทางโลกมันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างคุณค่าในทางธรรมให้กับจิตใจไดนะ้ยิ่งงานทางธรรมอะไรนี้ยิ่งต้องอต้องทาให้เกิด คุณค่าเกิดประโยชน์ในทางทำยิ่งกว่างานทางโลกโดยซ้ำนะมันก็ธรรมดาแนละ้วที่คนเราจะหลงแต่ว่าความหลงเนี่ยถ้าเรารู้นะมันก็เป็นประโยชน์นะรู้ว่าหลงนี่ถือว่าดีนะเพราะว่ารู้ว่าหลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นตัวรู้ได้รู้ว่าโกรธเนี่ยก็เป็นของดีนะนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ต้องโชว์โอกาส นะเปลี่ยนมาให้เป็นธรรมะสติตปัะธานข้อสุดท้ายเนี่ยธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะก็คือเห็นธรรมในธรรมและธรรมที่ว่านี้ตัวแรกเลยคืนอนิวรณ์นะไม่ไว่าจะเป็นพยาบาทไม่ไว่าจะเป็นกา ร, รมาฉันทะถีนมิทธะอุทาจจักกุกจจัหรือวิจิกิจฉาพูดง่ายคือตัวป่วนนะในใจเราเนี่ยทั้ง5ประการเนี่ยถ้าเราโชวยโอกาสเป็นนะมันก็สามารถจะเป็น ธรรมมาเป็นธรรมอารมณ์นะที่ทําให้เราเนี่ยนะเกิดปัญญาได้นะการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยนะไม่ได้เห็นจากอะไรนะก็เห็นจากตัวทุกข์นั่นแหละเห็นจากตัวปวนนั่นแหละตัวปวนที่มันเคยมารบกวนเรานะเราก็ใช้มันซะนะมาเป็นอุปกรณ์สอนธรรมอย่างที่เปลี่ยนเมื่อวานเมือนกับว่าไอ้ถังที่มันครอบเราไว้นะจนมืดมองอะไรไม่เห็นเนี่ย ถ้าเราออกจากถังนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะเอามาใช้นะเป็นเป็นฐานให้เรายืนแล้วก็มองอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะเปลี่ยนนิวรณ์ให้เป็นธรรมะนะต้องโชว์โอกาสนะพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าให้มันใช้เราอย่าให้มันรังควานเรานะเราต้องใช้มันหาประโยชน์จากมันให้ได้นะไม่ว่าทำอะไรเจออะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราทั้งภายนอกภายในหรือแม้แต่ เห็นอะไรก็ตามเนี morning, ่ยนะก็ช่วยโอกาสให้เป็นการเปิดใจเราให้เห็นธรรมะได้อย่างพระพระบางรูปเนี่ยเช่นพระลักุนตกะพระิญาเนี่ยหรือชื่อสั้นๆคือพระธิญาเนี่ยวันหนึ่งเดินบนถนนมีรถม้าวิ่งผ่านมาบนรถนั้นก็มีมานพหนุ่มนะกับหญิงคณิกา หญิงคันิกาก็แต่งตัวสวยเลยนะพอรถผ่านท่านโลกุลตกาบพธิยาหญิงคันธิกานั้นเนี่ยเห็นพระธิยาเนี่ยเป็นผ้าที่ตัวเล็กๆป้อมๆดูน่ารักเกิเลยยิ้มให้พระลกุลตกาบพระธิยาท่านก็เห็นนะก็ไปเห็นรอยยิ้มของหญิงคนนั้นแต่แทนที่จะเกิดราคะนะเกิดความยินดีท่านกลบมองว่าโอ้นี่นะ มันคือบ่วงแห่งมาร น, นะไอ้กามาคุณเนี่ยนะมันน่ากลัวนะมันมีโทษมันสามารถล่อเราให้หลงได้พอท่านเห็นภัยเห็นโทษของการมคุณเนี่ยนะแล้วก็เห็นต่อไปถึงไอ้เรื่องของความไม่งามของสังขารจิตท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีกลางถนนเนี่ยนะไม่ได้บรรลุธรรมจากจากการได้ฟังธรรมะ ของพระพุทธเจ้านะแต่พอได้เห็นรอยยิ้มนะของหญิงสาวอันนี้ก็ เ, เร็วรู้จักช่วยประโยชน์นะจากสิ่งที่เห็นนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่อาจจะชวนให้เกิดราคะได้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความลุ่มความหลงแต่คนฉลาเนี่พอเห็นแล้วเนี่ยก็สามารถจะใช้เพื่อจุดประกายให้เกิดปัญญาเกิดตัวรู้นะเกิดความรูม้ความเข้าใจได้ หรืออย่างพระติสระเนี่ยท่านเดินผ่านบ้านของอข่า บ, บดีคนหนึ่งในบ้านนั่นก็มีนางธาตุแล้นางทาสีกําลังร้องเพลงนะร้องเพลงโลกโลกนี่แหละแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าพูดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตก็คล้ายๆเพลงอีสานสมัยก่อนเพลงลูกทุ่งเนี่ยบางทีก็มีเพลงบอกว่ามันบ่แน่ดอกนายอะไรอย่างงี้ย ไ, นะไอ้พวกนี้เนี่ยข้อความก็มีความหมายในทางธรรมได้เหมือนกันนะท่าน ศิษย์ได้ฟังเพลงนี้แทนที่จะเคลิ้มคลอยหรือว่าเกิดความอาลัยอาวรณ์ท่านก็กลับ พ, พิจารณาเกิดโอสังขารไม่เที่ยงเลยนะเนี่ยท่านพิจารณานะก็เกิดเห็นแจ้งในพระไตรลักษนณะ์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างของการช่วยประโยชน์นะช่วยโอกาสนะจากสิ่งที่ได้ยินช่วยโอกาสจากสิ่งที่เห็นนะคนส่วนใหญ่เนี่ย นะพอเห็นแล้วไม่มีสตินะก็แทนที่จะช่วยกับหาประโยชน์จากมันก็กลายเป็นถูกใช้ไปเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเร า, นะเาถ้าว่าเราตั้งใจจะภาวนานะหรือว่าอยากจะปฏิบัติธรรมจริงๆหรือที่จริงเนี่ยก็ไม่คิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็แต่คิดถึงเรื่องการมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขนะก็พยายามนะหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะ อย่าปล่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความพัดพลาดเพราะความสูญเสียเพราะความเจ็บความป่วยแต่ว่าใช้มันนะเพื่อประโยชน์ในทางธรรมเพื่อทําให้เรามีสติมีปัญญานอะอันนี้แหละนะถึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริงคํานี้กับพุทานี้นะกราบพระ